นดีมากเลยอาจารย์ผู้ใหญ่ช่วยสั่งสอนทราบซึ้งจึงเป็นแรงช่วยผลักดันให้ฉันได้กเก้าไปถึงฟังฟันที่ฉันหวังดังใจต้องการเป็นความพาดภูม จากรูวมวงเรืองกล่าวสู่ความรุ่งเรืองทั่วกันดังคูต้นโตสู่แดดผนไม่วันออกดอกช่อนั้นแ่งบ้านงามตาจากวันนี้ไปได้นำความรู้ อย่งท้องถิ่นบ้านเราพัฒนานำพาด้วยคุณนทรมน้อมนาสู่การศึกษาสิบนิ้วก้มลงวันทาศรัทธาบัน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 นำข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจมาพูดมาคุยกันในช่วงเดือนตุลาคมนี่ก็นอกจากจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการลําลึกนะถึงนะเหตุการณ์เดือนตุลาไม่ว่าจะเป็นหตุลาสิบสี่ตุลาต่างๆแล้วมีกิจกรรมนะที่ธรรมศาสตร์ที่ส่วนกลางแล้วก็ในส่วนของนะทางรัฐบาลภาครัฐนี่ก็มีการเคลื่อนไหวในการที่จะลงไปกระตุ้น เศรษฐกิจนะควบคู่กันไปด้วยเพราะาตอนนี้เราก็จะเห็นว่าปัญหาเศรษฐกษิจค่อนข้างที่จะดักหน่วงนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกนะยอดการส่งออกหรือว่าจํานวนนักท่องเที่ยวนะครับที่ยังลดน้อยลงไปมากเพราะยังไม่มีการเปิดประเทศนะครับที่ใช้นักเที่ยวเข้ามาเพราะฉะนั้นในตรงนี้ก็มีมาตรการออกมาลองมาดูมาฟังกันได้สุพัฒนพงษ์ พันมีชาวรองนายงตรีและรัฐมนตรีพลังงานเปิดเผยเมื่อวันที่7ตุลาคมนะหลังมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจหรือสอบอสที่มีนายงตรีเป็นประธานก็บอกว่าสอบอสนี่เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะภายใต้มาตรการ ช้อปดีมีคืนนะก็เป็นเป็นมาตรการของของรัฐบาลแล้วครับนะตามที่กระทรวงการคลังเสนอคือเป็นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปีภาษี2 5 6พนรสะครับที่มีการซื้อสินค้าและบริการนะลดให้แก่ผู้ประกอบการนะที่จดทะเบียนตามจำนวนที่จ่ายจริงนะแต่ก็รวมกันแล้วไม่เกินส0 0 0 0ื่นบาทก็จะมีการเริ่ม โครงการนี้ตั้งแต่วันที่ยีสามตุลาคมถึง31ธันวาคมศกนี้นะครับนะ่ะก็เป็นเป็นมาตรการของรัฐนะครับนะแต่ก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเข้าร่วมโครงการ น, นี้จะได้รับประโยอน์ภาษีนะตามฐานการจ่ายภาษีของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันหรือว่าจะร่วมอีกโครงการนึงคือโครงการคนละครึ่งนะที่รัฐบาลให้เงินสูงสุดพันบาท นะกับประชาชนสิบล้านนะก็ใช้ได้หัวสูงสุดวัน 150, นะละร5อยห้าสิบนะแล้วก็ต้องเอาเงินของตัวเองมาจ่ายอีกครึ่งหนึ่งนะครับนะ ก, ก, ก็เป็นคนโครงการนะคนละครึ่งนะครับคนละครึ่งกันนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูแหะครับนะใครที่สนใจก็เข้าร่วมได้เหมือนกันก็เป็นมาตรการกระตุ้นและนอกจากนี้ยังมีการนะประชุมสอบอสอนะ 4ครั้งที่ผ่านมาออกมาตรการต่างๆในช่วง3เดือนก็ให้มีเงินสู่ระบบเศรษฐกิจอัดฉีดเงินลงไปเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประมาณ2อ0แสนล้านนะครับซึ่งก็มาจากการเติมเงินในบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณ 21,000 ล้านนะครับแล้วก็มีโครงการคนละครึ่งอีก 60,000 ล้านนะครับเป็นเงินของรัฐบาลสา0 0 0่น ล้านบาทแล้วก็เป็นเงินของประชาชนครึ่งหนึ่งสามมื่นล้านบาทหวังว่าชาวบ้านก็จะมามามาจับใจใช้สอยนะมาจากการแล้วก็มาจากาการชอบดีมีคืนอีกนะโครงการนี้ก็ใช้งบไปแสนสองมื่นล้านนะ ค, คิดจากฐานผู้เสียภาษีสี่ล้านคนนะถ้าใช้คนละสามหมื่นโดยเงินก็จะเข้าสู่ระบบประมาณสองแสนล้านนะครับนะเพราะนั้นนี่ก็ตรงนี้ก็จะทำให้ สภาพเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะกระเตื้องนะกระเตื้องขึ้นมาทําให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเริ่มฟื้นตัวนะครับเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกก็เป็นมาตรการนะที่ทางรัฐใช้นะครับดังทางด้านนายดนุชาพิชยนันเลขาธิการสภาพัฒน์คือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เปิดเผยบอกว่ามาตรมาตรการชอบดีมีคืนก็จะช่วย รักษาระดับการบริโภคภายในประเทศนะเป้าหมายก็เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะสนับสนุนนะผู้ประกอบการนะที่อยู่ในระบบภาษีนะแล้วก็ส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นนะซึ่งก็ตรงนี้ก็เป้าหมายก็ให้ประชาชนมาใช้จ่ายนี่แหละครับนะ mm hmm. ก็จะเริ่มในวันที่ยี่สามตุลาถึงสามสิบเอดธันวาคมศกนี้นะครับซึ่ง ตรงนี้นี่ก็ต้องต้องดูแหละครับว่ามาตรการที่อัดฉีดงบลงไปนี่จะได้ผลหรือไม่นะครับนะซึ่งอาจจะกระตุ้นการใช้จ่ายภายในภายในประเทศนี่แหละครับนะเพราะว่าเราก็จะเห็นว่าเอสอ็มไนี่ค่อนข้างที่จะปิดตัวลงไปมากเพราะว่าไม่มีเงิ น, นมาใช้จ่ายนะสินค้าขายไม่ได้ก็ไม่มีเงินหมุนนะก็ต้องก็ต้องปิดกิจาการกันไปเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่ ต้องต้องคอยดูแลนะครับในส่วนของ SME เอ็มอีเพราะเป็นแหล่งที่จ้างลูกจ้างเนี่ยนะครับเนี่ยมีลูกจ้างมีแรงงานมากนะจำนวนมากเลยทีเดียว SME นะครับและนอกจากนี้สบสก็เห็นชอบการปรปับปรุงมาตรการเราเที่ยวโดยกันนะมาตรการที่ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องขอ ง, ของการท่องเที่ยวของของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทท ท, ทนะครับนะซึ่ง ตรงนี้นี่ก็จะขยายเวลานะครับนะไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม2016นะครับนะซึ่งตรงนี้นี่ก็คือส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวนะคือคนไทยก็เที่ยวกันไปนะอาจจะเป็นการส่งเสริมให้นะมีการท่องเที่ยวในชุมชนเกิดชุมชนนะท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ท้องถิ่นชุมชนนี้ ทางทางรัฐเนี่ยจะต้องไปช่วยนะครับในเรื่องของาการปรับปรปุงสถานที่ท่องเที่ยวคุณภาพนะครับรวมทั้งประชาสัมพันธ์เพราะว่าบางครั้งนี่ในส่วนของประชาชนนี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีที่เที่ยวที่เป็นชุมชนท้องถิ่นที่น่าสนใจในยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนของประชาชนนี่บางครั้งไม่ไม่รู้แหละครับว่าตรงทางใต้ทางเหนือทางอีสาน นะถ้าถ้าถ้ า, ถามีการช่วยประชาสัมพันธ์นี่ก็จะทําใหนะ้การท่องเที่ยวระหว่างกันเนี่ยจะดีขึ้นก็ได้นะครับนะเพราะว่าประชาชนเนี่ยถ้าไม่มีงบมากก็ก็คงไม่ไปเที่ยวต่างประเทศนะเนื่องจากว่าก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดโควิดก็จะเที่ยวในประเทศก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีเป็นมาตรการที่ดีมารับฟังเพลงสักเพลงก่อนที่จะมาพูดมาคุยกันต่อครับ เลยไปรับไปส่งทุกวันเงินของฉันก็ให้อยู่แต่เธอเหมือนเป็นคนขี้ลืมลืมแม้คนที่ห่วงหาก็ดวงใจนน้อยนม่น้อยเฝ้าลงคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต็นช้า แล้วฝันตาไม่รู้ไม่ชินไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลงหลอกก็ฉันมันบันอกดวนเธอลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รัแลลกแล้วแกลงหลอกเข็บแล้วคุณบังกอกโดนเธอลอกไม่มีชิ้นดี ได้อะไรหามาตามาการนานของเธออยากไปไหนพาไปเสมอตามที่เธอสั่งมาก็ดูใจนิน้อยนอย น, อยน้อยเฝ้าลงคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเป็นช้าๆและควันตาไม่ แล้วแกล้งหลอกก็ฉันนั้นบันนอกดวนเธอหลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกล้งหลอกเข็บแล้วคุณบังกอกโดนเธอหลอกไม่มีชิ้นดี ดวงใจม่น้อยม่น้อยเฝ้าลงคอยรอเธอเมตตาเพื่อจะเห็นมันเต้นช้าๆและควันตาไม่รู้ไม่ทีไม่รักก็ไม่รอไม่รักแล้วแกลงรอ ไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกล้หลอกเข็แล้วคุณบังกอกโดนเธอหลอกไม่มีชิดีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลหลอกก็ฉันนั้นนอกดนเธอหลอกมาหลายปีไม่รักก็ไม่บอกไม่รักแล้วแกลหลอกเข็แล้วคุณบังกอกโดนเธอหลอกไม่มีชิงดี มาพูดมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นว่ า, ามาตรการเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่เราก็ทํากันอย่างากันอย่างเข้มแข็งนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจนี่ฟื้นตัวแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าวันในปีนี้นี่ก็เป็นปีที่มีปัญหาทั้งทางเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฝนทิ้งช่วงนะครับนะเราจะเห็นว่ามีปัญหา อ่างเก็บน้ำนะน้ำอุปโภคบริโภคตามเมืองใหญ่ต่างๆนี่ก็จำนวนปริมาณ น, น้ำนี่ไมนะ่ไม่พอนะครับนะการผิดนะน้ำประปานะครับนะในในในหลายเมืองโดยเฉพาะในแถวอีสานะครับอีสานใต้อีสานะสาเหนือเนี่ยนะครับนะซึ่งนะก็ยังดีในช่วงท้ายนี่ก็มีพนะายุฝนเข้ามาเติมนะครับก็จะนะทำให้ได้ปริมาณ น, น้ำ เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งแต่ว่าก็ยังไม่พอเกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรโดยเพราะการปลูกข้าวนะครับที่หลายๆพื้นที่เนี่เสียหายเพราะฝนทิ้งช่วงนะก็จะทําให้อาข้าวเนี่ยปริมาณข้าวอาจจะมีผลผลิตน้อยลงก็จะทําให้ข้าวราคาสูงล้วครับในในปีหน้านะครับหลายคนก็จะมองอย่างนั้นแล้วก็จะทํางานที่ปลูกข้าวได้น้อยการส่งออกได้น้อยก็จะกระทบกับ ชาวนาเกษตรก ร, ะกรนะ ซ, ซึ่งจะมีรายได้ในครัวเรือนนลดลงก็จะเป็นปัญหาเศรษฐกิจที่จะตามมาคนหลายคนก็ต้อ ง, ต, องต้องดูว่าต้องเตรียมรับมือตรงนี้ไว้เหมือนกันในส่วนของรัฐบาลแล้วก็ในส่วนของหน่วยงานต่างๆนะครับนะซึ่งก็คงจะต้องก็คงจะต้องดนะูแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการน้ำนะครับนะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกที่จะทํำยังไงที่จะให้ ข้าวของไทยเราแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะตอนนี้นี่เราต้องแข่งข้าวเนี่ยส่งออกเนี่ยแข่งกับอินเดียนะกในส่วนของเวียดนามรือในหลายประเทศกรรมัมพูชาะอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งก็ปีราคาถูกกว่าไทยก็จะทำให้แย่งตลาดกันนะตรงนี้นี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องจับตาดูเหมือนกันนะครับนะในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของอาการที่จะมากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับนะที่จะ เน้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะจะทำอย่างไรนะครับนะเราจะให้นักท่องเที่ยวกลับเข้ามาจะต้องมีมาตรการนะที่จะป้องกันไวรัสโควิดนะอย่างไรเพราะว่าถ้าถ้าเปิดเลยก็อาจจะมีปัญหาการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นก็จะมีปัญหามาดูปริมาณค้าชายแดนของของไทยเรานี่กับประเทศเพื่อนบ้านนี่ลดลดการค้าขายเนี่ลดลงอย่างมากเนื่องจากว่า หลายประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ก็มีการปิดด่านนะครับโดยเฉพา ะ, ะแถวติดต่อกับพมา่าเนื่องจากพมา่านี่มีการระบาดของโควิด19นี่จานวนสูงขึ้นมากเลยทีเดียวก็ต้องมีการปิดด่านอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็ทั้งในส่วนของลาวกัมพูชาอันนีประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ปิดด่านเพื่อการป้องกันป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดเพราะในตรงนี้นี่ก็ ปริมาณนี่จะลดลงมากนะจากการเปิดเผยของนายกีรติรัชโนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็บอกว่าการค้าชายแดนของไทยเรากับเพื่อนบ้านช่วง8เดือนมกราถึงสิงหาปีนี้ก็บอกว่ามีมูลค่าประมาณ 8,50 ล้านลดลงประมาณ 7.42% เมื่อเทียบกับช่วงของปีก่อนนะเราส่งออกไปประมาณ 4,90 ล้าน นะส่งออกในลดลง 7% เหมือ น, นกันนําเข้า3แสนห้าหมื่นล้านประมาณนะครับก็ลดลง 7% นะเพราะฉะนั้นนี่ตรงนี้นะี่ก็ได้รับผลกระทบแล้วครับเพราะการระ บ, บาดของโควิด -19 นะครับทําให้มีการปิดด่านชายแดนนะของแต่แต่ละฝ่ายนะครับเพราะในตรงนี้นี่คงคงจะต้องดูแหะครับว่าจะจะแก้ไขอย่างไรนะครับนะ ละมาเลเซียเนี่ยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยเรานะครับมูลค่าการค้ารวมประมาณแสนห้าหมื่นหนึ่งพันล้านแต่ก็ลดลงมายี่สิอร์ซนตเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งโ ด, โดยเฉพาะสินค้าที่เราต้องส่งออกเป็นยางมาเลเซียก็คือยางพารานะครับนะเพราะว่ามาเลเซียนี่เป็นเป็นประเทศที่บริษัทผลิตแปรรูปยางพาราอันดับ อันดับใหญ่ๆของโลกนี่อยู่ที่มาเลเซียนะครับไม่ใช่ประเทศไทยนะเพราะนั้นเรานี้ก็ต้องส่งไปที่ที่มาเลเซียเป็นหลักนะเราจะทําอย่างไรที่เราจะส่งเสริมให้ไทยเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางเกยเรื่องของธุรกิจเกี่ยวเรื่องของยังพาราานี่คงจะต้องมากระตุ้นแต่มาเลเซียนี่เขาก็แสงหน้าเราไปหลายเรื่องนะทั้งเทคโนโลยีทั้งเกี่ยวเรื่องของการค้าการขายเราก็ส่งกันไปนะส่วนของลาวเนี่ยเรานําเข้าก็คงจะเป็นเรื่องกระแสไฟฟ้าเพราะในในลาวเนี่ยผลิต กระแสไฟฟ้าจากพลังงานเขื่อนในหลายเขื่อนนะครับนะเข้ามานะครับนะกับปูชานี่ก็มีนะเครื่องอุปโภคบริโภคก็ก็คงจะมีการกระตุ้นนะในในชายแดนให้ให้มากขึ้นนะจะมีการเปิดแดนนะกันอย่างไรนะโดยเฉพาะประเทศที่ยังปอดโควิดก็คงจะต้องช่วยกันในหลายๆฝ่ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเวลาของรายการของเรามาถึงช่วงท้ายของรายการและชีวิตจะสั้นเพราะควันบุหรี่เรามา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 รอพี่ร อ, อน้องพยาบาลพี่ต้องการหารักรอพี่รอรักมาเป็นยารอพี่รอรักเป็นยาจังไยก่อจนยันนี้แล้วรักจะมีได้อย่างไรพอจะมีรักแล้วต้องรง้องไห้ อยากจนไรคนจะมองเราอยากจนไรคนจะมองร้องแต่ความเงียบเงาคนอย่างเราเศร้าจนคนลืมคนอย่างเราเศร้าจนคนลืม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 And I am. มานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10บนาฬิกากับมณนีรัานราังทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งตรวจสอบและสอบสวนทางวินยัยกับกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับหีดทะเลวิวาทนอกเวลาราชการที่ร้านอาหารย่านหลักสี่สะพานใหม่ อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเรงร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทาผิดแจ้งสายด่วนปปช1 <ส> 2 0 <ส>่ 2> รรงสองศู<ค>นย์ห้าสลทคนไทยไม่ทนต <ผล S 1> ่อการทุจริต โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงช่วมงเลยอ่ะทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบลแค่15นาทีเองหรอใช้ยากไหมละ่ะใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติแผนเค้กใช้แล้วเป็นไงอะ่ะโอเคจา้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4ี่เฉดสีเลยนะอืมดีจังโอเคเลยปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบล วิสกี้นําเข้าขายยกลังฮึมต้องจัดน้าหอมหิวลด 50% เฮยต้องซื้อบุหรี่นอกราคาส่งกดสั่งเลยแล้วกัน uh huh. รู้ได้ไงครับวันนี่คือสินค้าจริงคุณอาจ ก, กําลังเสี่ยงซื้อสินค้าเลี่ยงภาษีที่ไม่มีคุณภาพและผิดกฎหมายเช็คก่อนชอ็อปอย่าลงซื้อสินค้าออนไลน์เพราะราคาถูกระวังสินค้าปลอมเหล่านี้อาจมีอันตรายต่อสุขภาพที่คุณคาดไม่ถึงพบสินค้าผิดกฎหมายแจ้งเลยไม่ต้องรอโทร1713สายด่วนกรมสาามรรพาธิษฐาน มนุษย์เป็นสัตว์สังคมและมนุษย์บางคนก็ช่างสังเกตเขาถึงรู้ว่าน้ำมันเครื่องที่ดีต้องเป็นเกรดสังเคราะห์และถ้าจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์ต้องที่บีควิกเออท็กสงสัยเอ้ยสงสัยว่าทำไมอ่ะเพราะที่บีควิกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์พร้อมไส้กรองเพิ่มเพียงหกรบาทน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์พร้อมไส้กรองแค่หกร้อยเก้าสเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องที่บ Quick แถมผ่อนศสูงสุด15เดือนถึง31ตุลาคมนี้สอบถามโทร115 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งตรวจสอบและสอบสวนทางวินัยกับกําลังพลที่เกี่ยวข้องกับเหตุทะเลาะวิวาทนอกเวลาราชการที่ร้านอาหารย่านหลักสี่สะพานใหม่เมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาบนโทคงทีพยการประวานิสโกศกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมตรวจสอบรายชื่อกําลังพลที่เข้าไปเกี่ยวข้อง กับเหตการการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนอกเวลาราชการที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านหลักสี่สะพานใหม่เขตสายใหม่เมื่อคืนวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาโดยขอให้หน่วยงานต้นสังกัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจส่งตัว